มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาอุปมากถาปัญหามักกตะกะวักที่หเรื่ององค์แห่งแมลงมุมทำรังใกล้ทางประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้านาคเสนอันปรีชาเฉลิมประาดผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าอง์แห่งมแมลงมุมทำรังใกล้ทางอย่างหนึ่งนั้นเป็นประการใดพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัคราษตรอันประเสริฐธรรมดาว่ามแมลงมุมนั้น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 สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอคงการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอันปรีชาเฉลิมประาดองค์อันหนึ่งแห่งทารกอันดูดนมมานดานั้นอย่างไรเล่าพระนาคเสนจริงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าทารกที่ดูดนมมารดานั้น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 สัทเถอนุยนชะตาสัทเถอปมาตตาอาตาปิโนปหิตตาวิหรัตมีความว่าอานันทะดูกะระสำแดงอานน์อิงคะดังตถาคตจะเตือนท่านจงพยายามในประโยชน์แห่งตนอนุยนชะตาจงประกอบซึ่งประโยชน์ตนท่านอย่าได้ประมาทในประโยชน์ตน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 สันตังสงบระงับปริสุดทางบริสุดยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็พึงกระทาจิตให้สงบระงับให้บริสุดอย่าได้มีมานะและมักขะลบหลูท่านฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งป่าชัดคำรบสีปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะ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 ให้งอกงามจำเริญขึ้นแล้วรักษาไว้ได้ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงยังโยนิโสมณสิการให้เกิดขึ้นรักษาสมณะธรรมไว้ด้วยโยนิโสมณสิกานเพราะธรรมทั้งหลายมีโยนิโสมณสิการเป็นมูลทุกประการฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งเมฆคำรบสีปุณณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่า มหาราชะดุราณะบอพิษพระราชสมภารผู้มีศักเป็นอคัครกษัตร์อันประเสริฐเมฆนั้นเมื่อบันดาลให้ฝนตกลงมายังแม่น้ำและสะโบคารีและบ่อซอกทานและที่ลุ่มทั้งหลายปริปูเรติให้เต็มไปอุทะกะทาราหิด้วยท่อทานแห่งน้ำยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้า